พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายนวกนิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมมปันนาฏหนึ่งซัมโพธิวรคหมวดว่าด้วยสัมโพธิหนึ่งสัมโพธิสูตรว่าด้วยสัมโพธิเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก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 ผู้มีอายุทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ควรต่อบพวกอัญญาติระถิปริภาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าหนึ่งพิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุประการที่หนึ่งแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 2. ภิกษุเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมเพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุประการที่สองแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 3. ภิกษุเป็นผู้ได้คถาเป็นเครื่องขัดเกล่าย่างยิ่งที่เป็นสัพพายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัิปิาคถาเรื่องความมักน้อย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 เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นเหตุประการที่สแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝฟล์แห่งสัมโพธิ 4. ภิกษุเป็นผู้ปรารกความเพียงเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เป็นเหตุประการที่4แห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 5. ภิพิสุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุประการที่5แห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิภิษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี พึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้แรกคาเป็นเครื่องขัดเกลว์อย่างยิ่งที่เป็นส ป, ปายะแห่งความเป็นไปของจิต คืออภิชกกะถาสันตุทิฏฐกถาปวิเวกะกะถาอสังสัขขกขกะถาวิริยารัมภะกะถาศีละกะถาสมาธิกะถาปัญญากะถาวิมุตติกะถาวิมุตติยานัทสนะกะถาตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือ จากเป็นผู้ปรารกความเพียนเพื่อละอคุโสธรรมเพื่อให้กุโสธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ท้อทุระในกุโสธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจากเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริย ชำแรกกิเลดให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรม4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึ่งพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท 3. พึงเจริญอาณาปานาสติเพื่อตัดวิตก 4. พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอสมิมาณนะ ภิกษุทั้งหลายอนาตตสัญญาย่อมปรากฏแกภิกษุผู้ได้อนิจสัญญาภิกษุผู้ได้อนาตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมาณะได้ในปัจจุบันสัมโพธิสูตรที่หนึ่งจบ 2. นิสยสูตรว่าด้วยนิสัยครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกกันว่าผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัย ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าหนึ่งถ้าพิกษุอาศัยศรัทธาแล้วและอกุศลเจริญกุศลได้อกุศลนั้นย่อมเป็นอันเธอละได้แน่แท้สงถ้าพิกษุอาศัยหิริละถึง 3. ามถ้าพิกษุอาศัยอดตะปะ 4. ถ้าภิกษุอาศัยวิริยะห ถ้าภิกษุอาศัยปัญญาแล้วและอกุศลจเจริญกุศลได้อากุศลนั้นย่อมเป็นอันเธอละได้แน่แท้อากุศลที่พิกษุ์ละได้แล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอันเป็นอริยะเป็นอันภิกษุน์นั้นละได้แล้วละได้ดีแล้วพิกษุน์นั้นดำรงอยู่ในธรรมห้าประการแล้วพึงอาศัยธรรมสี่ประการอยู่ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1>, 1. พิจารณาแล้วเสภ 2. พิจารณาแล้วอดกลั่น 3. พิจารณาแล้วเวน้น 4. พิจารณาแล้วบันเทาภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยนิสัยเป็นอย่างนี้แหลนิสยะสูตรที่สองจบ 3. ม, มเมคียะสูตรว่าด้วยพระเมคียะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาลิกาบัรพศเขตเมืองจาลิกาสมัยนั้นท่านพระเมคียะเป็นอุปทาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลท่านพระเมคียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรดรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินธบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเธอจงกําหนดเวลาที่ควรนาบัตินี้เถิดครั้นเวลาเช้าท่านพระเมขิยะครองอันตรวาสศกถือบาตและจีวรนเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินทบาตกลับจากบินธบาตหลังจากชันอาหารเสร็จแล้ว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 ข้าพระองค์จะกลับไปบปําเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเมื่อเธอพูดว่าจะไปบปําเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระเมขิยะลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้นอาศัยป่ามะม่วงนั้น นั่งพักกลางวันอยู่หน้าโคนไม้มะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาปาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยมากครั้งนั้นแหลท่านพระเมขยะได้มีความคิดดังนี้ว่าหน้าอัศ จ, จ, จริงไม่เคยปรากฏ เราออกจากเรือนบวชเป็นเนรรปชิตด้วยศรัท ธ, ธาแท้ๆแต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอากุศลวิตกตกสามประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเราจิตได้ต่อมาท่านพระเมขียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมคยะทำห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าทำห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งิกษุในธรรมวิในนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีพื่นดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่ง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 สามพิุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออภิชฌะกระถาสันติทิกรถาปวิเวกระถาอสังสักขะกรถาวิริยารมภากรถาศีลกรถาสมาธิกรถาปัญญกระถาวิมุติกรถาวิมุติญาณทัศนกรถาตามความปรารถนา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 ผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้ได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพพายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปิจฉกระถาละถึง วิมุติญาณทัศนกะถาตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้ปรารบความเพียรและถึงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจกเป็นผู้มีปัญญา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 นันทกะสูตรว่าด้วยพระนันทกะแสดงธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขครงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนันทกะชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหาลนเกล้า หลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทรมีคถาในหอฉันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันได้ประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกจนจบคถาทรงทราบว่าจบคถาแล้วทรงกระแอมแล้วเคาะที่บานประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูถวายพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ตรัสกับท่านพระนันทกะดังนี้ว่านันทกะธรรมบัญญายที่เธอแสดงแก่พิสุทั้งหลายนี้ยาวจริงนะแม้เราคอยฟังอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกจนจบคถาก็ยังรู้สึกเมื่อยหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนันทกะรู้สึกกระดากใจ เดีกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกถ้าข้าพระองค์รู้ก็จะแสดงไม่ได้ถึงเพียงนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าท่านพระนันทกะกําลังกระดากใจจึงตรัสกับท่านดังนี้ว่าดีละดีละนันทกะ การที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ด, ด้วยศรัทธานั่งประชุมกันทำกิจสองอย่างคือทำมีกาถาหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึ่มบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีล เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ไม่ได้เจโตสมาธิภายในเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึ่งบำเพ็ญองนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายใน เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้นันทกะสัตสีท้าว แต่เท้าข้างหนึ่งของมันบกพร่องพิการมันชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้แม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพิ่มบำเพ็ญองนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดี เราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุตคตครั้นตรัสเวยากรนะพาสินี้แล้ว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระนันทกะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนด้วยบทสี่ประการแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารพระองค์ตรัสว่านันทกะ ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม enfin ่มีศีลเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบ AUDIO ูรณ์ด้วยองนั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองนั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีล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 เป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจตโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งทําด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจตโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งทําด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีล ได้เจโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งทำด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการ5ประการนี้อนิสงส์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ํากลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อ ม, มทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ํากลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลายโดยวิธีใดใด ภิกษุนั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของพระาศาสดาโดยวิธีนั้นๆ น, น, นี้เป็นอนิสงส์ประการที่1ในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นและถึงประกาศพรหมจรรย์และถึงแก่ภิกษุทั้งหลายโดยวิธีใดๆภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้รู้อัดและรู้ธรรมในธรรมนั้นโดยวิธีนั้นๆ น, น, นี้เป็นอณิสงฆ์ประการที่สองในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการ 3.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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่าำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่าำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุทั้งหลายโดยวิธีใดๆบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใด เ, เป็นเสขะมีใจยังไม่บรรลุปรารถนาธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วพรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้งโดยวิธีนั้นๆ ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นพระอระหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วประกอบธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เนืองๆนี้เป็นอนิสงส์ประการที่ห้าในการฟังธรรมตามการ และการสนทนาธรรมตามการผู้มีอายุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการห้าประการนี้แลนันทกะสูที่4 <ก>ี่จบห้า พระสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายพระสี่ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปัญญาพละกำลังคือปัญญา 2. วิริยะพละกำลังคือความเพียรสอนวัชชะพละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. สังหะพละกำลังคือการสงเคราะห์ปัญญาพละเป็นอย่างไร คือทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำทำเหล่าใดเป็นธรรมขาวนับว่าเป็นธรรมขาวทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพ ทมเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรเสภทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะทำเหล่าใดเป็นธรรมสามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมสามารถทำความเป็นอริยะธรรมเหล่านั้นแหลเป็นธรรมที่บุคคลเห็นได้ด้วยดีพิจารณาแล้วด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาภละ วิร <ITA> like, ิยะพละเป็นอย่างไรคือทมเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทมเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษทมเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำทมเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรเสภทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่สามารถทาความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะ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 นับว่าเป็นธรรมที่สามารถทำความเป็นอริยะบุคคลสร้างชันทะพยายามปรารกความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อได้ทำเหล่านั้นนี้เรียกว่าวิริยะภละอนัวัชพะละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษ นี้เรียกว่าอนาวัชภะละสังคหะภะละเป็นอย่างไรคือสังคหะวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยวสีประการนี้ได้แก่ 1. ทานการให้ 2. อปิยะวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานตตาการวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลาย การให้ทำเลิกกว่าการให้ทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการจะฟังเงียโสดลงสดับเลิกกว่าวาจาเป็นที่รักทั้งหลายการชักชวนคนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดํารงมั่นในศรัทธาสัมปทาชักชวนคนที่ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นดํารงมั่นในศีลสัมปทาชักชวนคนที่มีความตระหนีให้ตั้งมั่นดํารงมั่นในจาระสัมปทา ชักชูนคนที่มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดํารงมั่นในปัญญาสัมปทาเลิ ก, กว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายการที่พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามีพระอรหันมีตนเสมอกับพระอรหันเลิกกว่าความมีตนเสมอทั้งหลายนี้เรียกว่า สังหะพละภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยพละสี่ประการนี้ย่อมข้ามพ้นภัยห้าประการได้ภัยห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อาชีวิกภัไภัยไ์เนื่อง้วกการเลี้ยงชีพ 2. อาอสิโลกภยัภยภัยไคือความเสื่อมเสียชื่อเสียงส บริษารัชภัยภั ย, ภยคือความเคลื่อนคร้ามในบริษัท 4. โมรณภัยภัยคือความตาย 5. ทุกติภัยภัยคือทุกติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่กลัวอาชีวิกภัยเราจะกลัวอาชีวิกภัยไปทำไมเรามีพะละสี่ประการคือ 1. ปัญญาภละสองวิริยะภละ 3. อนวัชภละสสังคะภละคนมีปัญญาสามพึงกลัวอาชีวิกภัยคนเกียรคร้านพึงกลัวอาชีวิกภัยคนมีการงานทางกายที่มีโทษมีการงานทางวาจาที่มีโทษและมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวอาชีวิกภัยคนผู้ไม่สงเคราะห์ใครพึงกลัวอาชีวิกภั ย, เ ร, ภยเราไม่กลัวอาสิโลกภัย ละถึงเราไม่กลัวปริสาราชภัยเราไม่กลัวมรณภัยเราไม่กลัวทุกติภัยเราจะกลัวทุกติภัยไปทําไมเรามีพระสี่ประการคือหนึ่งปัญญาพละสองวิริยะพระสอนวัวชะพระสสังขะพระคนมีปัญญาสามพึงกลัวทุกติภัยคนเกียรตคร้านพึงกลัวทุกติภัย คนมีการงานทางกายที่มีโทษมีการงานทางวาจาที่มีโทษและมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวทุกติภัยคนผู้ม่สงเคราะห์ใครๆพึงกลัวทุกติภัยภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยพระสีประการนี้แลย่อมข้ามพ้นภัยห้าประการนี้ได้พระสูตรที่ห้าจบ เสวนาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรื่องภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายแม้บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรครบและบุคคลที่ไม่ควรครบแม้จีวรก็พึงทราบว่ามีสองอย่าง คือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม mm ่ควรใช้สอยแม้บินตบาตก mm ็พ hmm. ึงทราบว่า hmm. มีสองอย่างคือ hmm. บินตาบาตที่ควรฉันและบินตบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัย และบ้านและ น, นิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือช น, นบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้ว่าแม้บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่า บรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราครบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบริขารสำหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารที่เราผู้เป็นบรรปชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสาหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก และประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นปรบรรพชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุแม่รู้บุคคลนั้นเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ตามก็ไม่ต้องบอกลาจากไปได้ไม่ควรติดตามบุคคลนั้นไปบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราครบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไป บริขารสําหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศรบริขารที่เราผู้เป็นบรรปะชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสําหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุแม้รู้บุคคล น, นั้นก็ไม่ต้องบอกลาจากไปได้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 และประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ต, ต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุรู้บุคคลนั้นแล้วควรติดตามบุคคลนั้นไปไม่ควรจากไปบุคคลใดพิกษุรู้ว่าเมื่อเราครบบุคคลนี้แลอกุัสนธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุสนธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นและบริขารสาหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบินบาศเสนาสนะ และคีลานปปจจัยเพศสัตว์บริขารที่เราผู้เป็นบรรปชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสำหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยคคือความเป็นสมณนะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุควรติดตามบุคคล น, นั้นไปจนตลอดชีวิตไม่พึงจากไปแม้จะถูกขับไล่ก็ตามเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่า แม่บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรครบและบุคคลที่ไม่ควรครบเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าแม่จีวอนก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือจีวอนที่ควรใช้สอยและจีวอนที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาจีวอนสองอย่างนั้นจีวอนใดภิกษุรู้ว่า เมื่อเราใช้สอยจีวอนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวอนี้ไม่ควรใช้สอยจีวอใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวอนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นจีวอนี้ควรใช้สอยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้จีวอนก็พึงทราบว่ามีสองอย่าง คือจีวอที่ควรใช้สอยและจีวอที่ไม่ควรใช้สอยเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าแม่บินตบาตก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบิณตบา ท, ที่ควรฉันและบิณตบา ท, ที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาบินตบาสองอย่างนั้นบิณตบาทใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบินตบาตนี้แล อากุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้ น, น, น, น, นกุศ ล, ลรธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบินตาบาดนี้ไม่ควรฉันบินตบาดใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบินตาบาตนี้แลอากุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นบินตาบาดนี้ควรฉันเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้บินตบาตขาเพึงทราบว่ามีสองอย่างคือบินตาบา ท, ที่ควรฉันและบินตาบา ท, ที่ไม่ควรฉัน เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้ว่าแม้เสนาสนะก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสานาสนะนี้แลอกุสมธรรม ท, ทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรใช้สอยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้เสนาสนะก็พืงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัย และเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าแม้บ้านและนิคมก็เพึ่งทราบว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แลอากุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้บ้านและนิคมก็พึงทราบว่ามีสองอย่าง คือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ว่าแม้ชนบทและประเทศก็พืงทราบว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนั้นว่าบรรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้น ชุนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชุนบทและประเทศนี mm ้อ hmm. กุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปชุนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยชุนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชุนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นชุนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัย เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้ชนบทและประเทศก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเสยวนาสูที่หจบ